บุกทูเจดสิบหาเเหตุผลบางประการเนชโตอบรซโลจิียดทำไมคุณไม่มาคะซาชโตดลาซ อากาศแย่มาก vreme je ยทากโอลอเดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากยาเนโดลาซินเยร r เวเ t เมทากโอลอเชทำไมเขาถึงไม่มาคะซาสต์ออนเนโดลาซีเขาไม่ได้รับเชิญ เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญทำไมคุณไม่มาคะดิฉันไม่มีเวลา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 Ja n มคุณจะไปแล้วล่ะคะทำไมคุณจะ a ปแลทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะทำ่ทค่ะคะทำไม่ะคคจะไป่ะคะทม่ทค่ะคะจะไปแล้้ะ่ค่ะม ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะดึกแล้วคะ่ะดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วคะ่ะ o ารุณาไปที่ www. b o o k t o